คุณยาอสุกนะ่เดีเดยวกับคุณยายแล้วก็สนิทกันฮะสนิทกับคุณยายโอฉัน็นิทกจะเขาเขาม่นิกับฉัอ่ะเอทำไมนี่นะคะงอให้ไอนเชียงไหม่ผเชียงไหมก็รวยไแหวทป่ผ่าไหมมาโอ้อาจารยเล่องตัวนะเาัลย์ิเาคนกางวล่องเอย เขาขออนุญาตหลวงพ่อตกเท้าเพียงไม่ก็อย่าาขอฟังมิชานะคะก็บอกให้มามาฟังมิชา้วนี่หลวงพ่อเขาสั่งิชาเมื่อนกันนะครับแค่ใคร ท, ท, ทเร็วจังพาเงิชา้วพัองคี่ยนสะั่ลาูปยครันนะ้นม า, ามอะไรนี่อย่า้นอ า, า, านัางนั้นยนัน้่านั้อย่างนัย่าัยงนั้อางน้อยานัอางนั้นอย่นัย่างนันอยาั้อย่างอย่างนอย่า่างนันอยางั้นอง เราไม่เห er ah ็นเไาล่ยละก็อ่านวิธีการที่มนต่างี่มันมีการข่าคนนึงคนนั้นเห็นเขาลายคนนี้เห็นเขาลายเลยไปหวยแผ่นคนยังดคนยังตื้นเลยหวยแผ่นต้องไหนไ่ท่านละเอียดล้าก็วิชาคนที่เห็นท่าละเอียดทาไปทำเอาเอาวิชาเอาเด็วคนเห็นข่านหยาบทำไมให้เอาไปเอาคนคนฟ้าที่ละเอียดว่าฮะที่ละเอียดกว่าแล้วไปเอาน ได้มีมีพระครูช่วยอีกองค์หนึ่งมีพระครูช่วที่ว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์มากคุณยายจำได้ไมั้ยอ่าหลวงพ่อครูช่วยนะคะหลวงใจจรชัวพ่ชวเนี่ฮะที่อยู่บนกุฏิหลวงพ่อนแะยังยังไม่เขา้เขาใจเลยค่ะแต่ท่านเป็นพระที่อยู่ในศีลมากะนไหนนะคะ่ะตังตังเราคอยฟังท่านนะังเข้าโรงงานฟังหไใจเนี่นยค่ะ หลวงตาใจนี่จะเป็นเป็นระตดาบันเลยนะชื่อเต็มชื่ออะไระวาจหลวงตาใจชื่อเต็มชื่ออะไรี่นะฮะก็ชั่วเนี่ยคุณชั่วเหรฮะไม่ไ่ใช่เปนเราคนนั่งพี่หลวงตาใจนี่นฮะก็ู่ก็อาจารย์ชั่วนี่เดา่าเอไหนฮะเอาชาเป็นแล้วอกเหรอว่าเนี่ยหลวงไหลวงใจเนี่ยเป็นมาะตูดาบันเลยนะ เดี๋ยวหลวงตาใจท่านไปไปไหน้าภาพไปเมื่อไหร่อะท่านมน้าภาพไปเมื่อไหร่อ๋อนี้เาอยู่นอยู่ที่วัดใช่ไหมอ๋อก่อนก่นนอนนานหครับก่อนหลวงพ่อนานไหมตายเหรอครับฉัอยู่เมื่อก่อนครั้งนี้ตอนตอนที่หลวงตาใจมน้าภาพอะคุณยายรู้ไหมฉันก็อยู่ทีนั่นอ๋อ <ๆ S 1> อยู่ที่นั่นเหร อ, อมี ม, มีมีนั่นไหฮะมีมีหนังสืองานศพไหยครับอะไรไม่เจ้าฉันม่รู้เรื่องจนัง้เขาเียรู้รู้ที่ทวนนะคะ ถ้า่ะเอาเรื่องของพยามาเอามาเขียนให้หลวงพ่อดูเลยมีตัวครับจริงะผมเคยมีแทปที่มาทีเสียงแทปมาทีเสียงของหลวงพ่อชั่วพูดเรื่องจักรวาลครับจะไปเอาเรื่องไปดูไมาไปไปทั้งขาทั้งหลังเขื่อยแล้วให้หลวงพ่อูทาแล้วป่ะอ้โหร้อนนะนะ ทานชากันมาแล้วห่อได้ฮะเราเกื่อเจ้านี้เนี่ยเพื่อฉันเนี่ยที่วันฉันแม่ฉันก็ได้ให้เกี่ยวมานี่นะแม่แกงตายเนี่ยก็รับทมาอันนี้ทางเข้าวาร์เสาวก็ทํยาเนี้ยดังไปถ <c oughs> ึงกรุงเทพฮะฮะดังไปถึงกรุงเทพดังไปถึงกรุงเทพอ้พก็ขาวาามบอกมา้รับค่ามยังไงใบยังไงต้องอ อยู่ตรงนี้ของยาอยู่ที่นีเปไม่อืต้องแยมกันยังไงทยังไงไว้เขาดู้กเาห็นเนะคะเขาแต่เาได้วิชาใช่คะเขาได้วิชาใช่ไหมคะอะไรตาเเขาได้ธรรมะใช่หคะอ่าได้ธรรมะถ้าคนไมไม่ได้ธรรมะก็สไม่ถึงใหนเห็นไมคะนนกมแ้วาคเห็นคเอาอะไรไปนอยู่นี่ ในถึงที่เจ่าวระนีพพานเ่คุณเอาเลยเขาบอกนะฮเทา่าเอางกรอย่างให้เนรูเราเอาคนอขวัญเน่ยไปสวรรเจ้านระนิแล้วพอไดนสามรอบเขาก็เดนใหญ่ต้องมาเล่าให้ฟังที่จริงอาไเห็นใให้เขเห็นเขาเห็นคนมืขวัญนะฮะคนอาญาเป็นจอยเหยืคนนี้เปนจอยเหนะคะคนมือันีต ไอผมเนี่ยไปประเทศอยู่ประเทศายาแบบนั้นวันนีวันนี้วานี้นะไปเที่ยวผมย่างคินปลามาโงแรมวันนี้เนี่ยให้คุไปเที่ยว้วไปประเทศไหนก็ไปจิตเดินไปเดินไปเดินว่าย่างก็ไปย่างเที่ยวอย่างนี้จายนี่วิชาวิชากรรมพันนะวิชานี้คุณทุกคนเคยเคยเดินย่างไย่างผมผมเติม ไม่เลยมมาหนเลย้วมช่ชายแล้วมาโฉม้นไมใหุ้เอื้อมึงหลวงพ่อบอกนะอา่างมเนีงาโอยหายนะคือมาแจน้ำขาดเลยอ่ะมันทําเรือมันงาเรือมันลากเลยนี่หลวงพ่อสั่งวิชาฮะมาึมา คืหาใจอะต้องเาปากทองอะที่หลวงพ่อบอกอะไรมั่งอะก็บอกสั่งเลยค่ะสั่งบอกว่าเลี้ยงประเทศไทยให้โฉมขึ้นไม่ให้ผู้เงื่อนถึงคนที่เขาโง่โง่โอ่งนกคออย่ไงเงนะ้นะ่ย้หลวงป็นหลวงเป็นบุครใคที่ที่ายตายเนี่ยก็ไปหาเหมือนกันก็นับเราช่วยเพราะยาวอะมันยืดได้เยเนี่ย มอก็ยังรือก็ไทยอ่ะต้วไมชาเรื่อยไหนต้นไม้าจำานนิดเดียวตอนระเบิดมาคุณยายทำวิชาอยู่รึเปล่าท<ฆ>ี่ตอนที่มันที่มาระเบิดอ่ะเขาที่อยู่เลยคะเข่อยู่นะเขา่แล้วก็ตั้งเครื่องตั้งเครืองเนี่ยตั้งนตำหอมเครื่อง้วเบิดปันระเบิดอ่งไปท่ปตามขึ้นขนาดขนาดปักปันั่นโอ้ไม่ใช่ แล้วเขาต้องไปลาบกินเขาไม่ได้เลยใครทานมาที่แล้ายหนแล้วก็ทุ่งยาวยกมาเมาไปงานทานนี่หวราในรายชั้นสอนสว่าส่ก่อนนี่นะนะแล้วไม่รู้จัชัแล้วใครก็ไปลงซือก็ะดาษถือพให้ให้ลองดูมันก็หายชันจ็นรูปดีนี่นะคะ เขกเขามาสามคนจะพูดงจะลาบจังอาศัยบ้านเขาล อ, อนแกมากัสามคนก็ได้แกใ น, นดวงก็ได้ดวงทำเลยจึง ก, ก็รีดต่อให้ไปเลยเขาถึงที่แปลกกายเลยเขาวิพานขอขอทำนิพานแล้วให้กลับบ้านเขาบอกอว่าอาจารย์คุณแม่ผมมนนันเป็นนอนปวดขาลดตื้น อวลนี้บอกนี่แหละเอาธรมะเนี่ยแล้วมาบอกาตั้งเครื่องเลยนะตั้งเครื่องเติดไปแก้แหงแล้วลุงเป็นเช่ามาเนี่ยรามาเห็นผเนี่แกก็มาเดินตี่ผมนี่ผมทำทำเลยเข้าลอยเดี๋ยวนี้รู้สึกท่านเก่งเดี๋ยวนี้รู้สึกท่านเก่งยังไม่ยังไม่เข้ารอย กลางของกลางอุรุกว่าอะไรเป็นกลางสมัยนั้นใช่ไหมอเนี่ยที่ว่าลำบากที่สุดมีไหมไม่ค่อยไม่คยเลยช้าเท่นันและเอาไเรื่องวิชาฮะเรว่วิชาที่ลำบากที่สุดคืออะไรเอวิชาที่ําของทุกวันเรื่องประวัตนั้นท่านเล่ไม่ถามเลยที่ที่คุณยายปฏิบัติวิชามามีไหมวิชาที่ลำบากที่สุดชาที่บทแคนทำลำบากเนี่ยค่ะมีคุณยายหนักใจมากที่สุดมีมหมักใจมากเลยค่ะ ้าไปนะแป้งแปลนี่แปงแปงินธรมมที่ปัญญาวิมุติิญนะมุขทิเจ้าแวะหัสหัไปตามาลดั บ, ม, บ ม, ม, มุขเจ้ามีเทไรก็ไปตามาลำดับเพราว่าถึงธที่ปัญญาวิมุติิญญานะต้งชมช่นนคะที่รู้เรื่องถ า, ามว่าอะไรกลางแปมงวิารารหัรหั้นี้มีข้อถามเนี่ย ใส่กลมรอบตัวใหญ่เลนะคะก็แห้งก็ไปในกล า, ท า, ก า, ท า, นนางท่ากรางทาเนี่ยห็นพระพิธีรัตุเจ้าพระองค์นอนสลบหมดเลยเข้าไปพระองค์ก็ไม่ไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีไว้ไม่มีอะไรทั้งหมดมันก็กระตุ้จุตานะคะแล้วก็ถอยมาลาวร้ดแบแล้วพร่า หนอมเราไม่เห็นอะไ ร, นะาไาารมากว่าลูกเข้าไปว่าเป็นกลางลวงใสกรมรอบตอาแฝงธรรมาของพุทเจ้าขนัดทหารนี่เลยมาว่าไเห็ น, น ล, ล, ลูกพุทเจ้านัพระองค์มาช่วยนอนตลกสลายลูกเข้าไปแล้วเราไม่รู้สึ ก, ลลกเลยค่ะ อดใจซตังคิมน้อยก็ไม่รู้เนี่ยมาเม่สักอดนะคะว่าเดีวมาเมื่อสักอมาแวก็เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้ารใช่ฉันไปไงใายไปเอาหน้อไปนะไปดับปฏิหารถอนนิติหารวิชามาออกไป้หมดท้านก็เข้าไปตามพ่บอกเข้าไปถึงก็ แบบปฏิหารตอนนัิปฏหารพิธาของพญามาเลยหมดขอพรองค์ตนเพราะฉะนั้ น, นลูกพองค์ไหวเนือไหวตัวลูกก็นั่งใจไปหมดเลยนอนตลอดมาไหเลยเหมือนนักอิปะกูนี้เนี่ยอายุสึกเลยหลวงพออกมานานแล้วฮะหลวงพ่อบอกโอ้เดี๋ยวามว่าจังก็าไอะไรลูกมามันสะกดทาว่าจังก็มาไรลยอยู่แต่ บ, าาอบอกว่าลูกนี้่ญามาเลยจะ จเกิดเป็นมนุย์แล้วจะมาปาบเรียนมาเนี่ยมามันก็หลีดดับห้าทั้งหมดเลยสลบเลยอ่าอันนี้อกโอ้หนอมเนี่ยโอ้หนอมเดี๋ยไม่ใช่น้อยนะก็ลุ้นมาหมดเลยแล้วเวลาี้รุ่นนั้นก็ลงมาเกิดแล้วฮะลงมาเกิดแล้วยังคะเยังไงไม่หลาวดี๋ดูวไปดูวิชาถอดอีกอ่ะ ที่เกิทธรรมะนี่ไม่ว่าหญิงว่าชายนะคะแช่ตัดาตุธรรมก็ส่งมายิงว่าเป็นเป็นผู้หญิงก็ต้งไหนเป็นผู้ชายต้องไหนอย่างนี้นะแช่ธาตุธรรมปุ๊บนะขอเรืองคัดเรื่องนะคะแ๋ยวเรามาเกิดในรูปเนี่ยเรื่องธรรมะอะไรกันมีหน้าที่มีหน้าที่คนลงเปิดลงโทษจะมีนะคะเนี่ธรรวิชายเนี่ยไปทำตามคำสั่งแล้วกะ เรื่องใหญ่ต้องพอนะว่ะนอนยี่ห็นก็เตียงยีห็ยนก็นอนยี่ห็ยนก็นุ่นยี่ห็นก็ห่มนะเหมอนพ่อบอกเลยเหมือนยามันดูดูเหมือนยงมันุสลบกันเนี่ยนะค่ะฮะลบกันเนี่ยไหนเกะก่อโอ้โห แ ล, นะแล้วทุกวันนี้หลวงพ่อยังสามวิชาอยู่เปล่าครับต่างค่ะหลังหา่างต่ก็ต่อไปเรื่อยะคระับค่ะคางก็เปิดเปิดเครื่องนอี่เร่องเวลาของจับรหัสรหัสต้องแบบ ว, ว่าอะไรมาจะเข้ามาอยู่ยังไงไปยังไงต้องไปจับตัวตีมานที่มันมาอย่างไรไปยังไง วมันเหตุโทอะไรนี่คะเขาดบอันนี้ทีระผาดนแล้วนีอะการที่แปลกายเนี่ยเราต้องดับปฏิหารถอนปฏิหารทุกทุกเวลาเลยนะคะที่มามม่จะแรมาเมื่อกอนล้วอะดับปีิหารถอนปฏิหารใส่ไปแก้วล้วก็ายเหลืองแล้วก็ไปจะดับจะดับปฏิหารถอนปฏิหารหายแล้วกะ ต่อเป็นแรงเราหมดแล้วต้องมีวิธีอีกต่ะางท่านต้องต้ อ, องต้องไต่ไม่ได้เนี่ยตัวนักสืบสังพันล่ะ <c oughs> รู้เรื่องรู้ราวหมดเข้าที่แล้วต้องนับวัตถิฐานเขาในฐานซก่อนเครื่องกรเหมือกันนะคะให้เครื่องเนี่ยถาดดินถาดน้ําถาดลมถาดายถัดและถัดวิญญาณและถัดแล้วนานทั้งหกแล้วก็ดับวัตถิฐานเขาในฐาน ให้เครื่อ ง, ของเขามาขึนมาควรเป็นเครื่องของเราได้เฮ้ยเคยเห็นไ้มล่ะคะน้นําเนี่ยน้าน้นํานี้เนี่ย น, าาน้ำป่ามับน้ําท่าคุณเคยเห็นไม่มเคยเห็น้าําป่ามันดําเขียวน ะ, ะฮะแล้วน้ําท่าของเราธรรมดาเนี่ยแล้วเข้าหาแตงเข้าหาเราไม่ได้คุณเคยเจอไหมเคยเคยเจอกินอย่งเนี้ยแหลมันมันมั น, ม, นมันประกบกันแต่ <c oughs> คนละสีกัน <c oughs> อย่าเข้าไปหานมาหาน้ําท่าก็ไม่กล้า น้ำท่าหรืหาน้ําป่าก็ไม่ได้ดูแล้วก็เพลินวาเออน้ํานี่มีอํานาจอของสองฝ่ายอาจจะไม่รู้จักนะจะไปขายของไปเห็นหน้ำสองฝ่ายว่าพิจารณาเขาบเออน้านํานี่น้ำท่ากับน้าําป่านี่ทำาะไเข้าวมาปนกันไม่ได้มาจบอย่างเงี้ยคุณยายตอนที่ทําวิชาที่หลวงพ่อสัง่งอ่ะตอนไหนที่คุณยาย ตอนไหนที่คุณยายชอบที่สุดหรือว่าดีใจที่สุดมาทําได้ดีใจที่สุดหรือเปล่าคะตอนไหนโอ้มันลืมาแล้วมาแล้วลืมชาละเอียดละเอียดละเอียดนะครับตอนที่สําคัญที่สุดท่านสำคัญที่สุดเลยที่ถูกตั้งวัดสงของพ่อเนี่ยนะคะที่ถูกตั้งของวัดสงของของพ่อเนี่ยนะคะที่เราไม่หยุดไม่หยุดเป็นจุดเดียวกันแล้ว ยังแค่ไม่หยุบไปจุดเดียวก็ยังไม่ถูกไม่โทกล่องขอ่อจะหยุดแล้วโอกลองของทันเนี่ยตครเนี่ยมาหยุดเนี่ยมาหยุดมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไงค่ะตนไหนหยุดแล้วเรื่องของฝ่ายดีฝ่ายดีฝ่ายดีจะพูดกันยังไงฝ่ายชั่วจะพูดกันยังไงไม่หยุดนะฮะเหยุดไม่รู้เรื่องที่หยุดแล้วก็ถึงจะรู้เรื่องต่างฝ่าย ว่ายอาจารย์ดีฝ่ายอาจ า, ารย์ไาารีไม่ชั่วต้องอยช่างไงล่ะอยูท่ทุ่งจอจัไงสมัสมัยหลวงพ่อทําวิชาอยู่อะ่ไหมคะสมัยหลวงพ่อที่ไปคุมโรงงานอะไหมคะมีมีเขาเล่ากันอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีผู้ที่หัวหน้าทําวิชาเนี่ยโดนมารมารคอกนามากโดยที่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้สังเกตเนี่ยตอนนั้นที่ยังไม่ได้เข้าไปดีมั้งค่ ะ, คะ เราทำมาคิปีก็ไม่รู้อะไรทำกันทําคิปมาคิปีก็ไม่ทราบเลยที่อย่างหลวงพ่อถ้าทักคนไหนสุดนมากคนนั้นจะจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดอะไรคะหลวงพ่อสวดอ่ะถ้าทักคนไหนอ่ะยางเคยทับชีคนองคหนึ่งว่าแกต้องน้ําตาเช็ดหัวเ ข, าข่าเพเราเชื่อฟังท่านดีจังค่านคำนี้ท่านพูดบ่อยไหมพูดบ่อยเลยคะ่ะบ่อยนะฮะมาค่ะ หยุดชจ้นได้หรือเหยุดใช่หยุดใช้ใจแล้วฮะหยุดใช้ใจแล้วก็มีลมละเอียดมาช่วยหลัยแล้วหยุดนะข้าวเราแล้วเข้าแล้วก็นี้เราก็ถอนถอนที่ใจข้าวแล้วก็หยุดแล้วก็บอกหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอหยุดดีแล้วนี่แล้วก็มันได้ลมละเอียด เราเรียนสองพระพุทธเจ้าเข้ามาหล่อเลีงตอนนั้นตอนนั้นที่คุณยายเป็นหวัวหน้าเนี่ย ค, คุณยายเป็นหวัวหน้ามีชีอีกสี่องค์ใช่ไหมชีไม่ใช่มีมีชีที่ที่อยู่ในควบคุมดูแลของคุณยายอ่ะสี่องค์ชั้นหนึ่งันสองสังจิตสามอาจันย์ที่ก็อยู่ด้วยสามอจันย์แล้วก็สี่สี่สังส่งสี่เมื่สี่คนสี่ ยาจันพ่อก็อยู่โด่ไงนะครับสูงพุทธจักรคุณยายจันนี่เคยสูงพ่อเคยด่าไะเคยว่าไว้นะมีงั้นนะมีเห็นเห็นมีคนบอกว่าเขาอยู่ก่อนแค่ไหนนะแหละพวกนี้เขาอยู่ก่อนเขาเขาอยู่กก่อนเช่คิมน้อยที่ไปอยู่เฟืงเด็ดเสื้ผ้าไปเสื้อผาภาษาเนี่ยก็อยู่มาก่อนคนละยี่สิบเจ็ดาษาสมัยที่คุณยายเข้าไปอยู่ในโรงงานเนี่ยเป็นหัวหน้านี่คุณยายจันร์เป็น เขาไปก่อนแล้วค่ะก็เข้าไปก่อนฮะแต่เขาเป็นเขาเป็นคนหน้าต้องการหล<น>อกวิชาบากคนถามเขาหน้าลองดงถามทุกคนเนะขายาขายาละเอียดขายายาทัา้็รู้ขายเด็กครยยาทาเร็วทงชา้าทั้งรู้หนุมพ่อหนุ่พ่อใช่ไหมค่ะรู้ทั้งรู้ทั้งไ้เห็นนะฮะแ้ถามวิชาเนะี่ย ถามพวกคนต้องบอปัเลยนะคะก็กามีคนเข้ามาบริจวุพ่อทางนอกนะคะเขาได้ถังละองค์ไปเราะเราบุญพาของฝันลุงพอนี่ก็อยู่ที่ตอนไม้ใหญ่ไม่รู้ตอนไม้อะไรอ่าแต่มถก็เข้ามา่าที่ทางอาเนี่ยมันก็พลาดีแล้วข้ามาเพรหมดเพือแค่แลเ้าเปล่าหมดแต่ผมก็เป็นคนหน้าเนี่ย หากเราเรียวปุ๊ดดูตีนะะของฝันเนี่ยมัอยู่ช่วนไม้อะไรมันเป็นเป็นที่ไห ว, ว, วก่นนนะคะพ่อสังคเหนึ่งแล้วเขตั้งไว้ดูมากที่ไหวร่นคนยัท่านก็ไปสอนนะจริงจริงจงก็มาป๊เด็กปามียังร่นไม้อะไรเขาก็นี่ไม่ตอบนะค่ะไม่เห็นเขาไม่ตอบแล้วก็เดี๋ยวมาปุ๊ ต้นไม้อะไรรูไม้เขาก็นิ่งแล้ว เ, เดี๋ยวถามวิปูลรูไม้ต้นไม้อะไรเขก็นิ่งถามว่าหนอไม่เห็นข้าวไม้เน่าเขาก็บอกไม่เห็นหลวงพ่อกระไมอะไรอ่ะเห็นแล้วบอกว่าไม่เห็นอยู่ที่ต้งว่าแล้วค่ะเออต้องว่าตรงนี้รักฝาจงพลชวีนหลอกอย่างนะแล้วข อ, นะองต่างว่อยู่ยังไงหนอมาอธิบายหลวงพ่อครังสี นนแล้วบอกภาของวันนี้บารมีไม่เหมือนกันนะคะบารมีไม่เหมืองกันก็อันนี้หายจะไม่เหมือนกันก่อยู่ชามลาดับของบาะมีแล้วก็วโอนต้นไยตามลาดับามกลิ่ตาม้านใหมดนะคะที่มีมชสย้อยมีเชือกมีอะไรก็ไปอยู่ที่ที่เ้าบ้านนะคะอ่ะ ไม่รู้ของใครอง์นึงพ่อไม่ได้เลี้ยงอะไค่ะเป็นระผุที่เจ้าองยายเนี่ยไปดูแลเจ้าของฝันน้าก็บอกเออของหงพ่อใส่ย่ามใชันก็ไปด้วยไปเท่กไปด้วยไม่รู้หายไปวันไหนเรอค่อยหายเจเาบอกว่าไม่หายอะวพ่อก็ไปคุมเ้าของฝันนี่แหละคุมไว้ ตัวมานเลยมันถล่มทลายเลยเส้นข้างก็ให้ดูอ่ะก็นวาต้นนี้ยอดวาด่ะไปชิดหนยหน่อยฉันลองว่าไปชิดตะวันออกนิดหน่อยนี่เองเนาะค่ะไปชิดตะวันตกก็เป็นของมันเนี่ยฮะไปเลยนิดหน่อยเองที่ตะวันออกตัวชายอยู่ย่ามไม่รู้ไปยังไงแล้วว่าไม่ได้เรียมนาหลวงพ่อเออไม่ได้เรียมหลวงพ่อไม่ได้เรียม คังอ่อยยั ง, ยงอ่อยน่ะบาข้าวสั่ตัวนี้ข้าวฟังาวใบใบหนาาอั้นนี้ข้าสัมงตัวนี้แค่สองปเท่นั้นไปดู่าไ่ดูมมด <c oughs> สมัยนั้นคุะสะมัยนั้นพี่ยายทองสุกจะไม่ชี้เทียนไม่ได้เข้าโรงงานเห็นข้า ว, ว่วนะคะแล้วผูดจะหน้าคนเนอะจะบอกว่าสุขอ่ะมันมมันมี ม, มุกหน้า มันมีกหน้าเยนมุกหน้าอะไรก็ม so ีุกนะแล้วก็ว่าให้คนฟังที่นานแล้วบอกว่ามันมีลุกหน้ายงไงก็ูีแล้วอะไรกมีเขาไม่ต่อเพลงจบผลอะไรแล้วค่ะข้ากชายไปโนดวันี้ก็ไปตามคนจังนจังที่สามแล้วบว่าสกขภามันมีลุกหน้าเยอะนแล้วก็ว่าคนเยอะๆแต่ก็ฟังก็ไปเดียวอีกทัานน่ะ นี่คุณหญิงนาเทียนวิชาโอยอย่าเทียนเมืองเชียงใหม่เขาวิชาวิชาพ่อถามเพศถามคนแล้วนะคะเขาอยากจะเข้าไปต่าวิชาเช่นนั้นอีกุกชันน่ะอนี้เขาด่าใช่แล้วคุณชาเหรอว่าชาให้วิชาคนนะเหรอเขาก็ทันแล้วตั้งหมดที่สี่ฉันว่าอ่ะวิงทันยิ่งดี เลยหน้าเราไว้แล้วก็ดีอ่าก็เลยหน้าไปแล้วมันดีนะคะเวลาเราจะเราเจ็ป่วยความสำนึกจะช่วยเราได้ทนไว้เลยหน้าไปนี้ไปรู้เคยถูกคนเราคุณยเทียนตลอดคุณเทียนนี่เหมือนกันเนะฮะคุณยาเทียนนี่ก็ไม่ได้ก็ก็ก็ไม่ได้เข้าโรงงานมาเรื่องอะไรนะค่ะ